พระบัญญัติ411ก็ภิกษุใดเพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงหรือถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุทําให้แตกแยกกันภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านอย่าเพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงหรือถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุทําให้แตกแยกกันท่านจงพร้อมเพียงกับสงฆ์ พระสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมรุภาสจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมรุภาสกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดี ถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระเทวทัตจบ